1.15 ห่้วงน้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีวงเล็บเปิด15มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที12วงเล็บปิดในความเป็นจริงมนุษย์แสวงหาความรักเพราะตัวเองไม่เต็มพยายามหาคนอื่นมาเพื่อจะเติมเต็มชีวิตของตัวเองตัวเองขาดฉะนั้นคนในโลกเต็มไปด้วยคนขาดนะกระพร่องกระแพงไม่สมบูรณ์หรอกถ้าเราภาวนาจนจิตเราเต็มอิ่มอยู่ในตัวเอง เราจะไม่สแสวงหาใครมาเติมเต็มชีวิตเราแต่เราจะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ออกไปนะพยายามช่วยเหลือให้คนอื่นเขาเต็มขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ทำไปเพื่อตัวเองแล้วตัวเองเต็มไปแล้วพวกเรารู้สึกไหมพวกเราต้องหาเรื่อยๆบางทียังไม่รู้เลยว่าสแสวงหาอะไรอยู่เที่ยวสแสวงหาตลอดชีวิตเลยเด็กๆก็เที่ยวสแสวงหาหาโน้นหานี้ไปนะพยายามให้คนอื่นมาเติมเต็มชีวิตของเรา เช่นต้องคบกับเพื่อนถ้าวันไหนไม่เจอเพื่อนก็เฉาไปเลยเห็นไหมเอาชีวิตไปฝากไว้กับเพื่อนพอโตขึ้นมาก็ต้องมีคู่มีแฟนถ้าขาดแฟนไปชีวิตก็แหวงไปคือแต่ละคนมันขาดตลอดเวลาพอแต่งงานแต่งการแล้วก็ต้องมีลูกอีกเพื่อจะให้ลูกมาเติมเต็มเห็นไหมหาทางเติมเต็มชีวิตตัวเองมาตั้งหลายอย่างแล้วไม่เต็มสักทีนะเติมไปเรื่อยๆไม่มีวันเต็มพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิด นัถิตันหาสมานัทีจุดจุดห่วงน้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีปิดเครื่องหมายคําพูดคือกว้างขวางใหญ่โตนะเอาอะไรใส่เข้าไปก็ไม่เต็มสัทีเมื่อมันไม่เต็มก็ต้องสแสวงหาสแสวงหาจากคนอื่นจากสิ่งอื่นอย่างบางคนก็วิ่งหาชื่อเสียงเกียรติยศหาทรัพย์สินเงินทองหาแฟนหาเพื่อนหาอํานาจหาชื่อเสียงใช่ไหมหวังว่ามีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะมีความสุขแต่มันไม่จริงหรอก มันได้มาแล้วก็ไม่รู้สึกเต็มอีกแล้วต้องได้อย่างอื่นอีกอย่างบางคนใช่ไหมที่แรกยากจนก็ทำมาหากินกะว่ารวยแล้วชีวิตจะเต็มอิ่มไม่อิ่มนะพอมีเงินหลายหมื่นล้านรู้สึกไม่มั่นคงอีกแล้วนะต้องมีอำนาจด้วยถึงจะปกป้องพร้นประโยชน์ของตัวเองได้มีอำนาจแค่นี้ก็ยังไม่เต็มนะต้องมีแค่โน้นถึงจะเต็มจนบางประเทศนะผู้นามันอยากเป็นเจ้าโลกถ้ามันเป็นเจ้าโลกได้จริงนะ มันก็คงคิดว่ามันจะปกครองจักรวาลนี้ได้อย่างไรเพราะมันไม่เต็มมันขาดตลอดนะมันน่าอาเนจอานาที่สุดเลยชีวิตหาความพอไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ลงมาที่กายที่ใจจนหมดความยึดถือตัวนี้ปั๊บเดียวมันเต็มทันทีจิตเป็นเรื่องแปลกนะพอเราปล่อยไม่เอากายไม่เอาใจไปเราปล่อยไปเรากลับได้มาสมัยที่เราเที่ยวแสวงหานะเรากลับไม่เต็ม พอเราหยุดแสวงหาเราคืนกายคืนใจให้โลกมันเต็มขึ้นมาในฉับพลันนั้นเลยอัศจรรย์ที่สุดฉะนั้นถ้าเราอยากได้นะเราก็ปล่อยไปถ้าเราอยากจะมีมากๆเราก็ไม่ได้นี่ธรรมชาตินี้มีความแปลกประหลาดยิ่งอยากยิ่งไม่ได้พอหมดอยากแล้วได้ฉะนั้นใจที่มีแต่ความอยากจะไม่อิ่มไม่เต็มใจที่หมดความอยากหมดความเห็นแก่ตัวหมดความยึดถือตัวเองหมดความรักตัวเองกลับเต็มเปี่ยมเลย มันเกิดความรักอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาในใจเราความรักชนิดนี้ไม่ได้ยึดถือเอาคนอื่นสิ่งอื่นหรือเอากายเอาใจนี้มาเป็นของเรามันมีความรักรักในกายรักในใจรักผู้อื่นรักสิ่งอื่นรักสัตว์ทั้งหลายรักต้นหมากรากไม้รักโลกทั้งหมดอะไรอย่างนี้มันเป็นความรักที่อบอุ่นที่เมตตาที่เจือจานออกไปไม่ได้เพื่อเอามาครอบครอง ฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์ท่านภาวนาของท่านแล้วเนี่ยท่านมีความเมตตามันไม่ใช่ความรักที่จะเอามาเป็นเจ้าของแต่มันมีความเมตตาซึ่งเต็มเปี่ยมคล้ายคล้านะ้ำมันเต็มนะมันก็ล้นออกไปจากถ้วยออกไปหาที่อื่นคนซึ่งยังจิตใจคับแคบอย่างแห้งแล้งอย่างขาดคิดจะเอาแต่คนที่เต็มแล้วเนี่ยมันให้ได้เราค่อยฝึกของเรานะชีวิตจะได้มีความสุข